ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับรถแห่งธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเป็นความสุขที่วิเศษที่สุดเป็นความสุขที่ไม่จืดไม่จางเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มหนำสำลานใจให้ความมั่นคงต่อจิตใจ ไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่ให้ความมั่นคงกับจิตใจกลับให้กลับสร้างความวิตกกังวลต่างๆให้แก่จิตใจอยู่เรื่อยๆเพราะรู้ว่าเป็นของไม่แน่นอนนั่นเองได้อะไรมาก็ต้องมาคอยกังวล ต้องคอยดูแลรักษาและบางทีก็รักษาไม่ได้พอสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจนี่คือลดของความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณพะได้มาแล้วจะมีความวิตกกังวลว่าไม่รู้ว่าจะ อยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ได้ตำแหน่งมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้นานเท่าไหร่ได้คนนั้นคนนี้มาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้นานเท่าไหร่เขาจะดีกับเราไปได้นานเท่าไหร่ เ, เขาจะเปลี่ยนไปจากมิตรเป็นศัตรูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้เพราะนี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ เทียงแท้แน่นอนนั่นเองไม่เหมือนกับรถแห่งธรรมนี่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วจะไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะสูญเสียไปจะหายไปจะจากเราไปได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราพราะเมื่อเรารู้จักวิธีได้มาแล้วเราก็สามารถที่จะหามาได้เรื่อยๆถ้ายังไม่รู้จักวิธีรักษาให้มันไม่ หายไปลดแห่งธรรมเป็นสองระดับระดับแรกนี้ก็ยังเสื่อมได้แต่ก็เสื่อมแล้วเราก็หามันกได้หาใหม่ได้คือความสงบที่ได้จากสมาธิได้แล้วมันก็เสื่อมได้เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่สร้างเหตุรักษาเหตุที่ทําให้ใจสงบความสงบก็หายไปได้ แต่พอเรารู้ว่ามันหายไปเราก็สร้างเหตุไปสร้างเหตุก็คือสติสร้างสติขึ้นมาพอได้สติกลับคืนมาใจก็จะสงบได้เพระฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเสื่อมแต่ก็ไม่เสื่อมแบบที่ไปแล้วไม่กลับยังสามารถดึงกลับมาได้แต่เงินทองนี่ไปแล้วมันมักจะไม่กลับ ใครโก ง, งเราใครโกงเอาไปขโมยเงินเราไปพอมันไปแล้วนี่นยากที่มันจะกลับมาแต่ความสงบนี้ถ้าเรารู้จักวิธีทำให้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วเราก็จะสามารถทำให้มันอยู่กับเราได้เรื่อยๆถึงแม้ว่ายังไม่เป็นระดับท้าหวร ถ้าเราได้ก้าสู่ระดับถาวรที่นี้ก็ไม่ต้องรักษาไม่ต้องสร้างใหม่มันจะอยู่กับเราไปตลอดจะได้ระดับถาวรก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือตรลักอริยสัจสีถ้าเข้าใจหลักของใตลักเข้าใจหลักของอริยสัจสี ก็จะสามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิไม่ให้หายไปพอรู้เหตุที่จะมาทำลายความสงบก็คือตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาผู้ที่ได้สมาธิแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาออกจากสมาธิ ถ้ายังตัณหายังไม่เกิดนี่ใจก็ยังเย็นสบายแต่พอไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่จะจะเห็นความแตกต่างของใจในตอนนั้นเลยใจที่สงบก็เริ่มกระเพื่อมขึ้นมาเริ่มวิตกเริ่มกังวลเริ่มเกิดการหดหยียดนำคาญใจอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ถ้า ถ้าไม่ได้สมาธิจะมองไม่ออกเพราะว่าใจที่ไม่มีสมาธิมันมีตัณหาความอยากอยู่ตลอดเวลามันเลยไม่เห็นความแตกต่างของเวลาที่ไม่มีตัณหาว่าจิตจะเป็นอย่างไรจิตที่มีตัณหาตลอดเวลานี้จะก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะระงับหรือลดการกระเพิ่มได้ ก็ต่อเมื่อได้ทำตามความอยากพอได้ทำตามความอยากความอยากนั้นก็หายไปชั่วคราวความกระเพิ่มของใจก็หายไปออไก็เลยกลายเป็นความสุขปลอมขึ้นมาความสุขที่ได้ทำะายตามความอยากเวลาเราอยากอะลรใจเราจะรู้สึกกวลกระวายกระสับกระสายเมื่อเช้าก็มีคนมา กวนกวายบอกวันนี้ผมจะต้องไปติดต่อธุรกิจสําคัญขอให้ช่วยให้พอหน่อยใะนี่ยกวนกวาย ก, ก็สับกระสายนะคนที่ไม่มีไม่มีธุรกิจต้องไปติดต่อไม่เขาก็ไม่กวนกวา歪 น, น, นี่คือลักษณะของอความอยากเวลามันทํางานมันจะทําให้ที่ใจนี้มันไม่สงบไม่มั่นใจ ต้องมาขอที่พึ่งจากพระขอให้ช่วยหน่อยพระก็ฟูดนะให้ใจอขอให้ได้น ะ, ะแค่นี้เขาก็ดีใจลน ะ, ะหายกังวลกระวายไปนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็ไปไปติดต่องานถ้าได้ก็ความกังวลกวายก็หายไปชั่วข่าวเพราะได้ดังใจอยากมีความสุขขึ้นมา แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขความเพราะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วสิก็จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาอีกรับวหรือว่าถ้าได้แล้วอยากได้ของอื่นอยากได้อย่างอื่นอีกก็เกิดอารมณ์แบบเดียวกันอีกเกิดความกังวลกวาเอีกคนที่ไม่มีความสงบก็เลยเห็นว่าการที่จะทำให้ใจหายกังวนกัวายกระสับกระส่าย ก็คือต้องทําตามความอยากอยากได้อะไรก็ต้องหามาให้ได้อยากไปไหนก็ต้องไปให้ได้พรเวลามันได้แล้วมันจะหายกังวลกวายกสับกะสายอแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความระ ง, ง, ง, งับของความทุกข์มากกว่าชั่วคราวแต่มันไม่ได้ไประ ง, งับต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากอื มันกลับไปเสริมความอยากให้โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพออยากได้นี่แล้วก็อยากได้นั่นต่อได้คือก็อยากได้วาได้สอกได้ศอกก็อยากได้วาเห็นมคนที่เป็นตำรวจธรรมดาพอได้ในสิบโอ้โหดีใจเดี๋ยวไม่นานก็อยากจะได้ในร้อยแล้วมันได้เท่าไหร่มันก็มันก็จะเป็นเหมือนกันดีใจเดี๋ยวเดียว ดาวสักระยะหนึ่งก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยคนที่ติดอยู่กับวงจรแบบนี้จะไม่สามารถออกจากวงจรได้เลยเพราะไม่รู้วิธีแก้ที่แท้จริงเป็นแทนที่จะแก้กลับไปผูกมัดให้จิตติดอยู่ในวัตตะของความอยากความต้องการอยู่เรื่อยๆ ถ้าต้องถ้าอยากแล้วทําตามความอยากนี้มันจะเพิ่มความอยากขึ้นมาใหม่เอออก็ยากดื่มสุราอย่างนี้พอดื่มสุราหมดไปสบายใจไปวันหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้ก็อยากดื่มขึ้นมาใหม่มันไม่หายไปมันไม่หมดไปวิธีจะทําให้มันหายให้มันหมดก็ต้องอย่าไปทําตามความอยากแต่ถ้าไม่ทําตามความอยากมันก็จะยิ่งทรมานใจใหญ่ ขณาดที่อยากแล้วไม่ได้มันก็ทรมานแล้วถ้าไปไม่ทำตามความอยากมันก็จะยิ่งทรมานใหญ่พระพุทธเจ้าก็เลยส่งสอนวิธีแก้ต้องมาทำใจให้สงบให้เป็นถ้าเราทำใจให้สงบได้เวลาเกิดความอยากเราฝืนมันได้เพราะเวลามันเกิดความอยากมันจะทรมานใจเราก็ทาใจให้สงบ พอใจสงบมันก็ไม่ทรมานมันก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากถ้าทําอย่างนี้กับความอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกําลังไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเนี่ยจึงต้องมีสมาธิก่อนผู้ที่จะมาใช้ปัญญาเพื่อกําจัดความอยากกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี้ ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีกำลังสู้กับความกังวลกาวายกับความทรมานใจต้องมีสมาธิมีสติหยุดความทุกข์หยุดความทรมานใจเวลาเกิดความอยากแล้วพอความอยากหยุดไปเราก็ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิสติสมาธิเป็นเหมือนอยาต้านความทรมานใจ เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาภายในใจพอความอยากภายในใจหมดกำลังลงไม่สามารถสร้างความทรมานใจได้ใจก็ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิอยู่เฉยๆได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับตอนที่เราไม่มีความอยากเช่นตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ยังไม่มีความอยากกันเราก็เลยพอนั่งได้อยู่ เดี๋ยวถ้าเกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันจะนั่งไม่นั่งไม่ติดอะมันจะกวนกาวายขึ้นมาสมมติว่าเกิดไปคิดว่าเมื่อกี้ลืมปิดไฟที่บ้านปิดเตาที่บ้านทีนี้มันจะนั่งเฉยๆไม่ติดแล้วกลัวไฟไหม้บ้านานะบางทีอาจจะต้องลุกแล้วก็กลับบ้านไปปิดไฟปิดเตาเาะ ลืมไปลืมปิดเตาปิดไฟหรือไม่แน่ใจว่าปิดหรือเปล่าสองจิตสองใจจะอยู่ดีหรือจะกลับไปดูย<ด>เนี่ยเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะรักษาบ้านให้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าไม่ได้ปิดไฟปิดเตาเดี๋ยวมันไฟไหม้บ้านได้ก็เลย ถ้าลองเกิดความคิดความอยากแบบนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาหรือไม่มีสตินี้ทนอยู่ไม่ได้ะถ้ามีปัญญาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาช่างมั น, ม, นมันจะไหม้ก็ช่างมันทําไงได้เราอยู่ตรงนี้กลับไปก็ไม่ทันอยู่แล้วมันจะไหมก้ก็มันก็ไหม้ไปเนี่ปัญญาก็ทําให้ใจสงบได้ะ แต่ถ้ามีอนิจจังแล้วมันยังไม่ยอมสงบก็แสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะให้มันยอมรับอนิจจังเมื่อมันไม่ยอมรับอนิจจังก็ต้องใช้สติให้บังคับให้มันรับให้ได้ด้วยการควบคุมจิตให้สงบพุทโธพุทโธไปหยุดคิดให้ลืมเรื่องบ้านเรื่องไฟอะไรไปให้หมดพอมันสงบปั๊บมันก็สงบมันก็หาย จากความทรมานใจจากความหายจากความอยากที่จะกลับไปบ้านอันนี้คือเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาใจต้องแก้ด้วยทั้งสติทั้งปัญญาถึงจะแก้ได้อย่างราบคาบถ้าแก้ด้วยสติอย่างเดียวก็แก้ได้ชั่วคราว เช่นพอคิดถึงบ้านไฟจะไหม้กบพุโทโธพุโทโธไปพอใจสงบมันก็ไม่คิดถึงมันก็ลืมไปชั่วคราวแต่พอออกจากสงบมาเริ่มไปคิดถึงบ้านอีกถ้าไม่ถ้าไม่มีสติก็อาจจะอยากจะกลับไปบ้านอีกเพราะสตินี้มันมันมันหยุดได้ชั่วคราวแต่ถ้ามีสติแล้วพอออกมาอยากจะไปบ้านก็ใช้ปัญญาเข้ามา ช่วยอีกเส้นหนึ่งปัญญาบอกว่ามันบ้านเราไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่บ้านของเราหรอกไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันมันก็ต้องจากเราถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมีสติควบคุมใจได้ใจก็ปล่อยวางได้ไปก็ไปบ้านมันจะไปมันจะไหมก็ไหมไปตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจดีที่สุด ทำใจให้สบายยังก็หาใหม่ได้บ้านบ้านนี้ไม่มีมันก็ต้องดิ้นหาบ้านใหม่อยู่ยจนได้นะนี่คือเรื่องของลดแห่งธรรมคือความสงบของใจจะเข้าถึงได้นี่ต้องมีสติเป็นตัวนำสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าปราศจากสติแล้วจะไม่สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ใจก็จะไม่สงบแต่ถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวใจก็ต้องสงบถ้าสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ ถ้าใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบตอนที่เริ่มใหม่ๆมันอาจจะแข่งกันเราพุโทโธไปแต่ความคิดมันก็ยังไม่ยอมแพ้มันก็คิดแข่งกับเราเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปคุยกับมันมันมาชวนคุยชวนคิดเราก็อย่าไปคิดกับมันเราก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปล้วอยู่กับลมหายใจไปถ้าเรา แน่วแน่กับการอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธเดี๋ยวต่อไปความคิดต่างๆก็จะถอยห่างออกไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าทีละเล็กเี้ยน้อยก็มีเข้าแบบพูดพลาดก็มีอันนี้แล้วแต่จะิด็ดแล้วแต่สติของแต่ละคนถ้าสติแข็งมากก็ จ, จะเข้าแบบพูดพลาดได้ ถ้าสติไม่มากก็อาจจะค่อยๆเข้าไปทานเข้าไปค่อยๆสงบทีละระดับระดับไปแต่ต้องมีสติถึงจะทำให้ใจสงบได้ถ้าไม่มีสติแล้วนั่งไปใจจะฟุ้งซ่านไม่ฉะนั้นก็จะสร้างอาการอะไรแปลกๆมาหลอกใจก็ได้เห็นสิ่งนู่นเห็นสิ่งนี้ ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ก็ปรุงแต่งต่อไปว่าเป็นเสียงเทวดาเสียงพรมเสียงอะไรไปหรือเป็นเสียงเปรตเสียงอะไรไปแล้วแต่ใจจะคิดปรุงแต่งไปแล้วก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้เพราะจะกลัวหรือไม่กล้านั่งต่อไปหรือถ้าหลงก็อาจจะไปผิดทางนั่งที่ไรจะต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา ถ้าไม่เห็นแสดงว่าไม่ก้าวหนะ้าอันนี้ก็ผิดนะนี่ก็ลักษณะของการนั่งแบบไม่ควบคุมใจไม่มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกคือต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้กำกับใจกรรมฐานสี่สบนี่พุทธานุสติก็คือพุทธโธ ธรร ม, มานุสติก็คือธรรมโมสังขานุสติก็คือสังโฆบางทีอาวทั้งสามองค์ก็ได้พุทโธธรมโมสังโฆไปพุทโธธรรมโมสังโฆไ ป, รรมมไปหรือจะใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้หรืออนิจจังคำเดียวก็ได้ออนิจจังนี้ก็เป็นตัวแทนของมรานุสติได้มรนานุสติก็คือความตายความตายก็คืออนิจจัง ความแน่นอนความความไม่แน่นอนก็คือของชีวิตก็คือความตายนี่ก็เป็นกรรมฐานที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เวลาที่เราจะนั่งสมาธิกันแต่อย่านั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็ดูอะไรไปในใจนี่อันนี้จะถูกหลอกจะถูกดึงให้ออกไปไม่ได้ให้ดึงเข้ามาข้างในเราจะ ไม่ได้ความสงบแล้วก็จะได้ความหลงคิดว่าได้อภิน ญ, ญาบ้างรู้นั่นรู้นี่บ้างแต่เป็นความรู้ที่เปล่าประโยชน์ต่อจิตใจไม่ได้ให้จิตใจมีความสุขมีความสบายมีความมั่นคงแต่มีทำให้ใจหลงแล้วจะไม่มีวันที่จะก้าวหน้าไปสู่ธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้นะ เวลานั่งสมาธินี้ต้องมีสติจิตเหมือนเด็กเด็กต้องมีผู้ใหญ่คอยเฝ้าถ้าไม่มีผู้ใหญ่เดี๋ยวเด็กก็เล่นหรือทาอะไรเสียหายกับตนเองได้เด็กต้องมีผู้ใหญ่คอยเฝ้าดูแลตลอดเวลาสตินี้ก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่จะคอยดูแลจิตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานี่ที่ยังเป็นเหมือนทารกอยู่ ให้อยู่อย่างปลอดภัยถ้าเด็กทารกนี้ถ้าเราไม่เฝ้าเดี๋ยวมันก็ไปทําอะไรให้เกิดโทษกับตนเองได้ฉันใดจิตก็เหมือนกันเราต้องคอยเฝ้าจิตตลอดเวลาเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นพอถ้ามาขวดมาเฝ้าตอนที่นั่งมันก็เฝ้าไม่เป็นไม่รู้จะเฝ้าอย่างไรพุทธโธได้สองคำก็ทิ้งละ ปล่อยไปกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเพราะว่ า, าไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้อยู่กับสติอยู่กับพุโทโธปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยไปทั้งวันแล้วพออยู่ดีๆจะมานั่งสมาธิจะให้มันหยุดคิดเลื่อยเปื่อยนี้มันไม่หยุดนะมันก็จะคิดเลื่อยเปื่อยต่อให้มันดูลมได้สองพักสองสามครั้งก็ไปละให้พุโทโธได้สองสามครั้งก็ไปละ เราจึงต้องมาฝึกพุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งกันกถ้าเป็นไปได้ฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยที้จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่อปราศจากการงานถ้าต้องทํางานนี้มันไม่สามารถที่จะควบคุมใจไม่ให้คิดถึงแม้จะมีสติก็มีสติแบบที่ต้องคิดเออ ทำงานมันก็ต้องใช้ความคิดถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่อยู่กับความคิดของงานมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นได้ก่อนคนทำงานก็ต้องมีสติเพียงแต่ว่าสติของคนทำงานนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นสติที่จะนำไปสู่ความสงบเพราะว่ามันไม่ได้หยุดความคิด มันประคับประคองความคิดให้อยู่ในเรื่องในราวที่ต้องคิดเช่นเวลาทำงานก็ต้องให้คิดอยู่กับเรื่องของงานก็ต้องมีสติคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นสติได้ยังไม่พอยังไม่มีมันยังไม่ถูกมันไม่จะเรียกว่าไม่ใช่เป็นสัมมาส ต, สติก็ได้ถ้าเป็นสัมมาสติจริงต้องควบคุมให้มันไม่คิด ให้มันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็พอแต่ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินเป็นสติประครับประคองให้ใจรู้ให้ตัวรู้ผูขึ้นมาให้สักแต่ว่ารู้แต่ไม่ให้คิดถ้าคิดก็อาจจะคิดนิดหน่อยตามความจาเป็นเช่นเห็นอะไรข้างหน้าก็คิดว่าต้องหลบแล้วอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองเดินไปข้างหน้าเห็นมีไม้มีอะไรก็หยิบ มันออกไปอะไรทํานองนี้ก็คิดแบบเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวอนะไรคิดปั๊บก็ผ่านไปก็ปล่อยกลับมาเฝ้าดูต่อไปขอบารักษาตัวรู้ให้รู้เฉยๆอย่าให้ตัวคิดมันโผล่ขึ้นมาคอยหยุดตัวคิดไว้ให้เหลือแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้แล้วมันจะทำให้ใจสงบได้ ถ้าปล่อยให้ตัวรู้ตัวคิดน้คิดมันจะมันจะไม่หยุดคิดเลตัวคิดก็คือสังขารนี่ความคิดปรุงแต่งต้องอย่าให้มันคิดจะไม่ให้มันคิดก็ต้องบังคับให้มันรู้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันถ้าเดินก็ให้รู้ว่าากลังเรากาลังเดิน กำลังยืนกำลังทำอะไรกำลังยกแขนกำลังยกเท้ากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาอะไรต่างๆเหล่านี้การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเนี่ยต้องต้องรู้อยู่ทุกอิริยาบถนะอย่าอย่าทำอย่าปล่อยให้ร่างกายทำอะไรไปส่วนใจก็ไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับความคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปต้องคอยควบคุมอย่าให้มันคิด ให้มันรู้เฉยๆถ้ามันไม่ยอมอยู่กับร่างกายก็ต้องใช้พุโทโธดึงมาให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างน้อยก็ไม่ให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอมันไม่ไปคิดเราก็พอกลับมาอยู่กับร่างกายได้เราก็มาเฝ้าดูร่างกายต่อไปก็ได้ไม่ต้องคิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับ เหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นที่เรากาลังทำอยู่ถ้าทำอย่างนี้ได้เวลาเรามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ดูให้ดูลมมันก็จะดูลมอย่างเดียวดูก็ดูที่ปลายจมูกจุดที่ลมเข้าลมออกสัมผัสกันก็อยู่แถวบริเวณปลายจมูกแล้วก็ดูแถวนั้นไปเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออก ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้เฉยเฉยเหมือนกับเราตอนที่เราเดินก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินเฉยเฉยเวลานั่งใกล้รู้ว่าดูลมเวลานั่งดูลมกใกล้รู้ว่าลมเข้าลมออกเฉยเฉยจะหายใจยาวหรือหายใจสั้นก็ก็รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นเรือบังคับให้มันยาวเพราะถ้าเราไปบังคับลมเท่ากับเรา จิตต้องทางานตอนนี้เราต้องการพักจิตหยุดจิตไม่ทาอะไรทั้งสิ้นให้รู้เฉยๆก็เลยต้องให้รู้เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับการหายใจของลมน้อมจะสั้นใจยาวจะละเอียดจะหยาบจะละเอียดก็ให้รู้ตามความจริงแม้แต่ลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร ยิ่งหายไปได้จิตยิ่งเบายิ่งเย็นยิ่งสบายไม่ต้องกลัวหายไปได้แล้วจิตก็อาจจะรวมเข้าสู่ความสงบได้เลยถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งไปเกิดความวิตกเกิดความกลัวขึ้นมาถ้าเกิดความกลัวแล้วจิตมันจะทางานปรุงแต่งแล้วมันจะหยาบมันจะถอยออกมาเวลาจิตจะเข้าสู่ความสงบนี่ลมมันจะละเอียด นให้ดูเฉยๆไปเหมือนดูภาพยนตร์แต่อย่าไปวิาพากษ์วิจาร์กับภาพยนตร์นะไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจกับภาพยนตร์นะดูเฉยๆไปรู้ว่าเป็นเพียงภาพยนตร์นั่นเองดูลมก็ดูไปแต่เดี๋ยวจิตจะเข้าสู่ความสงบเองสงบแล้วก็จะไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นมันจะนิ่งเหมือนกับเด็กนอนหลับพอเด็กนอนหลับผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องไปเฝ้าเด็ก แต่สติไม่หายนะสติจะมีตลอดเวลาเวลาจิตสงบนี่สติกับตัวรู้ก็จะประสานกันเป็นตัวเดียวกันะเป็นสักแต่ว่ารู้ไปแต่จะรู้ทุกขณะเวลาจิตนิ่งหรือจิตกําลังจะถอนออกมาถ้าจิตจะรู้จะรู้ทันทีเพราะมีสติคอยกํากับคอยเฝ้าดูอยู่ถ้ายังไม่อยากจะออกก็ใช้สติบังคับให้อยู่ต่อไปเอ ให้ใช้พุโทโธหรือใช้สติคอยหยุดความคิดที่อยากจะลุกเน่ถ้าหยุดได้ถ้ามีสติกำลังพอก็สามารถที่จะระงับความอยากที่จะลุกได้มันก็จะนั่งต่อไปได้ถ้ามันไม่สามารถที่จะหยุดมันได้อยากจะให้มันหยุดก็จะใช้คำบริกรรมสร้างสติขึ้นมาใหม่พุโทโธพุธโทโธใหม่ นั่งอีกรอบหนึ่งรอบสองรอบแรกยังไม่จุใจอยากจะได้อีกรอบหนึ่งก็ตั่งต่อไปอย่างนี้ก็จะทําทให้สติเรามีกําลังมากขึ้นทําให้ ส, สมาธิของเรานั่นหนามากขึ้นสงบได้นานขึ้นต้องพยายามควบคุมบังคับให้มันอยู่ในความสงบให้มากๆให้นานนานถ้ามันจะออกก็ลองสู้กับมันดูอีกพักหนึ่ง อสร้างสติขึ้นมาใหม่ถ้ากลับถ้ามีลมก็กลับมาดูลมใหม่เดี๋ยใช้คำบริกรรมใหม่ทําอย่างนี้ไปงานทําใจให้สงบนี้มันต้องไม่มีงานอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องถ้ามีงานอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวมันต้องดูนาฬิกาแล้วไอ้เวลา น, นี้จะต้องไปทําอะไรหรือเปล่าอย่างไ ร, รถ้าไม่มีงานต้องมาเกี่ยวข้องมันก็นั่งได้ยาวไปเลยนะ ทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วจิตจะสงบมากขึ้นมากขึ้นนานขึ้นความสุขลดแห่งธรรมก็จะเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับแต่มันยังเสื่อมได้ในระดับของสมาธิถ้าเราประมาทพอออกจากสมาธิมาไม่เจริญสติต่อไม่รักษาจิตต่อปล่อยจิตให้คิดปรุงแต่งเดี๋ยวก็เกิดความอยากเกิดความอะไรขึ้นมา เจ็ดก็จะเสียสมาธิได้ถ้าอยากจะรักไม่ให้มันเสียถ้ายังไม่ใช้ปัญญายังใช้ปัญญาไม่เป็นเรือว่ายัางยังสติยังไม่มั่นมั่นคงก็ลองฝึกสติต่อไปก่อนออกจากสมาธิมาก็พุทโธพุทโธต่อหรือดูลมดูการเดินการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายต่อไปอย่าให้มันคิดห้ามคิดเนะ ให้มันอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจเขาอยู่กับการเดินการยืนการนั่งอยู่กับการกระทำอะไรต่างๆเวลาออกจากสมาธิเวลาที่ไม่ได้นั่งนี้ดูลมใจลำบากไ ม, ไม่ไม่นิยมดูดูลมกันเพราะลมมันละเอียดดูร่างกายดีกว่าง่ายกว่าดูแขนดูขากำลังยกแขนยกขากำลังทำอะไร แล้วมันจะได้ไม่ผิดพลาดด้วยกำลังทำกำลังล้างหน้าแปลงพันแต่ไปดูลมเดี๋ยวก็แปลงผิดแปลงถูกครับก็ต้องดูงานที่เรากำลังทำอยู่เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายในการทำงานขับรถก็ต้องดูรถอย่าไปดูลมนะ <c oughs> ดูลม <c oughs> เดี๋ยวรถตัดหน้ามันมองไม่เห็นรถตัดหน้า <c oughs> สติต้องรู้จักวาระโอกาสว่าคนจะใช้สติแบบไหนไม่ใช่ว่าพอใช้ลมก็จะใช้ลมมันทุกทุ ก, ท, กทุกเวลานาทีเวลาออกมาทำอะไรก็ยังดูลมอยู่เดี๋ยวก็เดินไปเตะก้อนเห็นเดินไปลื่นล้มได้ถ้าโมแต่ดูลมไม่ดูไม่ดูทางไม่ดูทางเดินมันต้องมีสติให้เหมาะกับเหตุการณ์ อันนี้เปลี่ยนได้เวลาเจริญสตินี่เหตุการณ์บังคับให้เราเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ใครที่ต้องการที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมเนี่ยต้องหัดฝึกให้ได้ก็คือสติเป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเนี่ยต้องหัดกอไก่ขอไข่ให้ได้ต้องหัด a อบีซให้ได้ โดยถ้าอยากจะคำทำคิดคำนวณอะไรต่างๆก็ต้องหัดนับหนึ่งสองสามให้ได้มันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีสตินี้จะนั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันสงบจะใช้ปัญญาที่ได้ฟังจากการฟังธรรมก็ไม่เกิดกำลังไม่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้หยุดความทุกข์หยุดความอยากภายในใจได้ เพราะว่ามันยังไม่มีตัวที่จะรับคำสั่งของปัญญาคือสตินั่นเองถ้ามีปัญญาสั่งว่าให้หยุดความอยากนี้ถ้ามีสติก็หยุดได้เลยเออดีปัญญาดีตรงนี้ปัญญาเป็นผู้สั่งแต่ผู้ที่จะหยุดนี้ก็คือต้องเป็นออสตเออิเหมือนกับ ถ้ามีสติอย่างเดียวนี้มันหยุดได้แต่มันไม่รู้ว่าหยุดอะไรหยุดทำไมบางทีถ้าเกิดความอยากขึ้นมามันอยากมันได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะไม่หยุดแต่ถ้ามีปัญญาบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะทำให้เราทุกข์นะอันนี้มันรู้เหตุผลว่าทำไมเราต้องหยุดเนี่ยถ้าสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ก็มีการใช้สติหยุด ความคิดหยุดจิตทำใจให้สงบได้แต่ไม่สามารถาทำให้สงบอย่างท้าววอนได้พอออกจากสมาธิมาพออยากได้สิ่งที่เคยอยากได้ก็จะไปอยากทันทีแล้วก็ไปทำทันทีโดยไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสงบ <c oughs> มีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทรงมาตรจรู้ส่งคนพบว่าการไปทําตามความอยากต่างๆนี่มันทําให้ความสงบภายในใจมันเสื่อมาหายไปมันทําให้ใจทุกข์ได้ถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์นี่ต้องไม่ไปทําตามความอยากความอยากที่เป็นฝ่ายกิเลสนะไม่ใช่ความอยากที่เป็นฝ่ายธรรมความอยากมันมีสองฝ่ายฝ่ายธรรมกับฝ่ายกิเลสฝ่ายธรรมนี้ทําได้ การอยากจะทําบุญทำทานนั้นทำได้อยากจะไหว้พระสวดมนต์อยากจะรักษาศีลอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปปีกวิเวกความอยากเหล่านี้เรียกว่าเป็นความอยากฝ่ายธรรมความอยากฝ่ายกิเลสก็คืออยากไปเที่ยวอยากไปเล่นอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆอันนี้เป็นความอยากทางกิเลสที่เราต้องหยุดต้องห้าม หยุดทําในสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่สิ่งที่ยังจําเป็นต้องทําก็ทําได้เช่นดูแลร่างกายถึงเวลาต้องอาบน้ําก็อาบน้ําให้ร่างกายได้ถึงเวลาที่จะให้อาหารร่างกายก็ให้อาหารร่างกายได้อันนี้ถ้าให้ตามเวลาให้ตามความต้องการของร่างกายไม่ถือว่าเป็นกิเลสถือว่าเป็นความจําเป็นะ อันนี้จะจะเรียกว่าเป็นธรรมก็ไม่ใช่จะเป็นกิเลสก็ไม่ใช่แต่เป็นกลางกการกระทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายดูแลมันไปนี้เป็นเหมือนเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าทำแบบเกินเหตุเกินผลก็เป็นกิเลสได้เช่นอยากรักษาให้ร่างกายสวยงามผมงอกแล้วก็ต้องยอม อะไรทํานองนี้อย่างนี้ก็ยังเป็นการดูแลร่างกายด้วยกิเลสถ้าดูแล ด, ด้วยธรรมก็ดูแลให้มันอยู่ได้ไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันอยู่ตามปกติของมันไม่สบายก็รักษาได้แต่ไม่ได้รักษาแบบอ่าต้องไปอยู่โร ง, งพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ อยู่ที่ไหนก็ได้หมอที่ไหนก็ได้มีหมอเขารักษามียาก็รักษาไปตามอัตภาพไป <c oughs> ถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไป <c oughs> นี่คือการทาตามการกระทำที่ไม่ได้เป็นกิเลสหรือไม่เป็นธรรมการทำไปตามสภาพตามความจำเป็นการการกระทำที่เป็นธรรมก็คือเนี่ยการทำทานการบริจาค การสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมพระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนะธรรมก็คือความสงบนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราต้องเลือกระหว่างความสงบกับเงินทองเนี่ยถ้าเราไม่ยอมปล่อยเงินทองใจเราจะไม่สงบ พอเรายอมเสียเงินทองไปปรับใจเราก็จะสงบพอเราจะต้องเสียวิญญาณถ้าเราไม่ยอมเสีย น, นี่ใจเราจะวุ่นวายพอเรายอมเสียวิญญาไปปรับใจก็สงบหมอบอกต้องตัดขาตัดก็ตัดไปถ้าไม่ยอมให้ตัดมันก็ทรมานพอยอมให้ตัดก็ใจก็สงบลงพอจะต้องยอมเสียชีวิตก็เหมือนกัน ถ้าไม่ยอมเสียชีวิตนี่ก็จะใจก็จะวุ่นวายจะทรมานแต่พอยอมว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องเป็นไปตามวาระของมันเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ยอมให้มันตายไปก็เรียกว่าสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาความสงบเขาเรียกว่าตายอย่างสงบเนี่ยคนที่ตายอย่างสงบก็เพราะว่าเขายอมรับกับสภาพของร่างกาย ว่ามันจะต้องถึงเวลาของมันแล้วที่มันจะต้องไปก็ปล่อยให้มันไปเรียกว่ารักษาธรรมใจจะสงบความสงบก็คือธรรมลดแห่งธรรมเนี่ยลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอันนี้เกิดจากการจะปล่อยได้ก็ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาให้รู้ว่าของเหล่านี้เป็นของอนิจจ์ทั้งนั้น ทรัพย์ก็เป็นอนิจจังเอาวิญญาณก็เป็นอนิจจังชีวิตก็เป็นอนิจจังรักษายัางไงก็รักษาไม่ได้ถึงเวลามันจะต้องไปก็ปล่อยมันไปเราเราจะรักษาธรรมได้ถ้าเราไม่ยอมปล่อยเราจะรักษาธรรมไม่ได้แล้วเราก็จะเสียทั้งธรรมเ Marc, สียทั้งสิ่งต่างๆไปอยู่ดียังไงก็ต้องเสียทรัพย์อยู่ดีเสียวิญญาณอยว่ดีอยู่ดีเสียร่างกายอยู่ดีและแต่ก็จะเสียธรรมไปด้วย เพราะใจจะไม่สงบเลยถ้าไม่ยอมปล่อย <c oughs> อันนี้ต้องเกิดจากการมีปัญญาแล้วก็เกิดจากการมีสติที่จ ะ, ะควบคุมใจให้ยอมให้ปล่อยให้ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตก็จะหลงและจะเพ้อไปได้คนบางคนตายด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่มีอะไรมาคอย คอบคุมใจไม่มีสติไม่มีปัญญานี่คือประโยชน์ของการที่เรามาฝึกสติมาฝึกปัญญากันเพราะจะทำให้เราได้ธรรมได้รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงใจของเราจะมีความสุขตั้งแต่ตั้งแต่บัดนั้นไปตั้งแต่เวลาที่เรามีสติมีปัญญาดูแลรักษาใจแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือเกิดขึ้นกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นบุคคลนี้มันจะไม่มาทําให้ใจสะเทือนใจจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจมีสติมีปัญญาคอยปล่อยวางอยู่เรื่อยๆพอใจจะอพอจะเอื้อมไปหยิบปับ๊บมันสติปัญญาจะดึงกลับทันทีพอจะปรุงแต่งไปยึดไปติดไปอยากขึ้นมานี้มันถ้ามีสติมีปัญญามันจะหยุดทันทีะ มันจะปล่อยเพราะมันรู้ว่าถ้าไปยุ่ง้วเดี๋ยวใจจะร้องวุ่นวายขึ้นมาหรือถ้าถ้ามีสติปัญญาถ้าไปเกี่ยวข้องก็ไปเกี่ยวข้องแบบไม่มีการยึดติดนะเกี่ยวข้องได้ดูแลคนนั้นคนที่ได้เท่าที่ที่เาไปเท่าที่ทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะปล่อยอยู่ดีถ้ายังทำได้อยู่ยังช่วยเขาได้อยู่ก็ช่วยเขาไป พอช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยต่ไม่ยือ้อจะไม่ไปทุกข์กับเขาอันนี้ใจจะรู้เองว่าใจเริ่มสะเทือนหรื อ, อยังถ้าเริ่มสะเทือนก็รู้ว่าทำเกินเหตุเกินผลไปแล้วมีความอยากขึ้นม า, วาความอยากที่ขัดกับความเป็นจริง ต้องอยู่กับความเป็นจริงไม่อยู่กับความอยากใจที่มีสติมีปัญญานี้จะอยู่กับความจริงเสมอจะไม่อยู่กับความอยากความอยากนี้ไม่สามารถที่จะมาหลอกใจให้ไปหลงได้เพราะใจจะรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรก็จะไม่ไปเกิดความอยากไปเปลี่ยนความจริงเช่นมันหนาวก็ไม่จไม่มีความอยากจะไปเปลี่ยนให้มันร้อนมัน แรงก็ไม่มีความอยากจะไปเปลี่ยนให้มันไม่แล้งอะไรทํานองนี้เพราะรู้ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะมันเรื่องของธรรมชาติแต่สิ่งไหนที่ยังพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นห้องมันร้อนมีเครื่องปรับอากาศก็เปิดมันได้แต่ถ้าเปิดแล้วมันไม่ติดก็ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่กับมันไปรอให้เขาไปซ่อมมันก่อนช่วงที่มันยังซ่อมอยู่ก็ต้องอยู่กับความจริงไป ความจริงบางอย่างเราก็เปลี่ยนได้สมัยนี้มนุษย์เราเก่งสามารถผลิตวิธีเปลี่ยนความจริงที่เราไม่ถูกใจให้เป็นความจริงที่ถูกใจได้มันร้อนเราก็มีเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นมันหนาวก็มีเครื่องปรับอากาศให้มันอุ่นแต่ถ้าเกิดมันไฟดับหรือมันเครื่องมันเสียตอนนั้นก็ปรับไม่ได้เมื่อปรับไม่ได้ก็ต้อง ยอมรับความเป็นจริงมาปรับไม่ได้ก็อยู่กับความเป็นจริงไปมันหนาวก็หาผ้าห่มมาอยู่มาหมา่มาอามันนอวก็หาน้ำมาอาบถอดถอดเสื้อถอดอะไรออกไปมันก็คอยคอัลบายได้หาพัดอะไรมาพัดก็ได้มันก็ระบายไปตามอัตภาพมันก็อยู่กับความจริงได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยู่กับความอยากแล้วต้องปรับทุกอย่างให้เป็นไปตามความอยาก พอปรับไม่ได้มันจะทุกข์มากแล้วมันจะไม่รู้วิธีหยุดความอยากมันก็จะพยายามดินน้นรนก็อยู่แบบทุกข์ทรมานไปแต่ถ้ามีสติมีปัญญามันจะคอยควบคุมจิตให้อยู่กับความเป็นจริงความจริงความจริงตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็อยู่กับมันไปฐานะของเราแต่ละคนก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไทำงานก็มีตำแหน่ง เดี๋ยวพ้นตำแหน่งก็เป็นฐานอีกฐานะหนึ่งแลอวจะไปยึดติดกับฐานะเดิมก็ไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันไม่ใช่เป็นความจริงในปัจจุบันการยิงปัจจุบันเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราก็ต้องทำตัวของเราแบบนั้นอย่าไปยึดว่าฉันยังเป็นอย่างนั้นฉันเคยเป็นอย่างนี้มาเดี๋ยวก็ไปมีปัญหากับคนอื่นได้หรือทาให้ใจวุ่นวายได้เพราะเมื่อก่อนมีอานาจสั่งการอะไรได้ พอเดี๋ยวนี้ไม่มีอำนาจสั่งการแต่ยังอยากสั่งการอยู่พอสั่งไม่ได้ก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจไม่พอใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกปัญญาอยู่เรื่อยๆนี้ใจมันจะรู้สถานะของตนตลอดเวลาว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่ที่ไหนกับใครมันเปลี่ยนแปลงสถานะไปเรื่อยๆเวลาเราอยู่ที่หนึ่งอยู่กับผู้น้อยกว่าเราเราก็เป็นผู้ใหญ่ อีกเวลาหนึ่งเราไปอยู่กับผู้ที่เขาใหญ่กับเราเราก็กลายเป็นผู้น้อยเราก็ต้องปรับไปถ้านมีสติปัญญามันก็จะรู้จักวิธีปรับไปกับเหตุการณ์ต่างๆถ้ามีสติปัญญามันใช้วิธีง่ายๆก็คือรู้เฉยๆไปจะอยู่เหตุการณ์ไหนมันก็รู้เฉยๆไปไม่แสดงตัวไม่แสดงอบทบาทอะไรทั้งนั้นจะจะทําอะไรก็เท่าที่ทําเท่าที่จําเป็นท่างที่ควรจะทําำ แต่ถ้าไม่ควรจะทํานู่อยู่เฉยๆดีกว่าปล่อยให้คนอื่นเขาทํากันใครอยากจะทําอะไรก็อยากจ ะ, สะแสดงอะไรก็ปล่อยเขาสแสดงไปเราขอให้เป็นผู้รู้เขาพอให้รู้เฉยๆแล้วเราจะไม่วุ่นวายใจเออถ้าอยากจะไปสะแสดงตัวอยากจะไปโชว์ผลงานฝีมือเนี่ยเดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวก็ต้องไปชนกับคนนี้ชนกับคนนั้นเออ เห็นสู้เป็นผู้รู้ดีกว่าสักแต่ว่ารู้ไปอย่าเป็นผู้แสดงแต่คนเราส่วนใหญ่ถ้าไม่มีธรรมะนะชอบเป็นผู้แสดงชอบแสดงทำนู่นทำนี่ออกความเห็นอย่างนั้นออกความเห็นอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทำอย่างนู่นทำอย่าง น, น, างนี้แต่คนที่มีสติมีปัญญาบ่รู้เฉยๆดีกว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรให้เขาเชิญก่อนดีกว่า สบายกว่าท่านก็ไม่เชิญให้พูดก็อย่าไปพูดไม่ต้องเสนอตัวถ้านก็ไม่เชิญให้ทํานู่นทํานี่ก็ไม่ต้องทำํำ อ, อยู่เฉยๆสบายใจนี่คือเรื่องของการมีสติมีปัญญามันจะสอนใจให้เป็นผู้รู้มันจะหยุดความหยุดอัตตาตัวตนหยุดการแสดงหยุดการกระทําต่างๆที่ไม่จําเป็น ถ้าจะทําอะไรก็ทําเท่าที่จําเป็นที่จะต้องทำํำนะถ้าไม่จําเป็นต้องทําก็เฉยๆไปเพราะคนมีปัญญาจะรู้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรในโลกนี้มันก็เท่านั้นแหละมันทําไปแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกับเออรยเท้าบนในทะเลทรายเนี่ยเดินไปแล้วก็เป็นรอยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งลมมาพัดไปลอยเท้ามันก็หายไปหมดนสิ่งต่างๆที่เราทํากัน แก่งแย่งชิงดีกันทะเลาะกันพอทำไปแล้วเดี๋ยวทักไม่กี่วันมันก็ผ่านไปแล้วหายไปแล้วเราก็มาแก่งแย่งชิงดีกันเรื่องใหม่ต่อไปแก่งแย่งชิงดีกันไปเรื่อยๆแล้วก็วุ่นวายใจนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับกันไปแต่ถ้าเรายุติการแสดงบทบาทเหล่านี้ได้เราจะสบายเราจะดูเฉยๆรูเฉยๆ ถ้าต้องเป็นจะต้องทำก็ทำแบบไม่ใบวุ่นวายกับใครไม่ไปไปประทะกับใครไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำออออนี่คือวิธีที่จะรักษาใจของเราให้อยู่กับความสงบไปเรื่อยๆออก่อนที่จะทำนี้ได้เราก็ต้องไปปลีกวิเวก่อนต้องไปซ้อมก่อนเหมือนนักมวยต้องไปฝึก ต่ อ, อกชกกระสอบทรายก่อนต้องไปชกลมก่อนต้องไปวิ่งออกกำลังกายก่อนก่อนที่จะไปขึ้นเวทีชกกับคู่ต่อสู้ก่อนที่เราจะกลับเข้าไปอยู่ในสังคมกับคนอื่นโดยที่เราจะไม่แสดงตัวนี่เราต้องไปฝึกอยู่แบบไม่แสดงตัวให้ได้ก่อนอยู่แบบผู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปพอเราสามารถที่จะสอนใจให้เป็นผู้รู้ได้ เราก็จะไปอยู่ที่ไหนกับใครก็ได้เราก็จะอยู่แบบผู้รู้ไปไม่แสดงตัวไม่แสดงอะไรแต่ก็ไม่ได้บาปความงอมืองงอเท้าจะแสดงอะไรจะทําอะไรก็ตามเหตุตามผลไปทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแต่ไม่ไปเสนอตัวไม่ไปแสดงความสามารถอวดคนนั้นอวดคนนี้ว่าเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่ถ้าก็ มีความต้องการให้เราช่วยอย่างใดอย่างหนึง่งเอถ้ามันในวิสัยที่เราจะช่วยได้ทําได้เราก็ทําไปเออท่านั้นเองอย่างเรานี่ก็มาฝึกเป็นผู้รู้อยู่บนเขานี้แล้วในที่สุดก็มีคนมาขอให้มาสแสดงตัวซะหน่อย <nogle> ให้มาพูดธรรมะหน่อยออก็เลยมาได้พูดธรรมะเท่านั้นเองเอ ก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทำทาได้ให้เราไปทำอย่างอื่นก็ทำไม่เป็น mm hmm. ให้เราไปประกอบพิธีอะไรต่งางๆแล้วก็ทำไม่ได้ให้เราไปกนจุกกน mm hmm. <laughs> ไ, ปไปทำน้ำมนต์ไปเจิมไปอะไรนี่เราก็ทำไม่ได้เมื่อก่อนก็มีคนมาขอให้ไปเจมิมนวดเจอม <laughs> บอเราเจิมไม่เป็นไม่เคยได้ทำมาฝึกแต่เป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆ อยู่อยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงอยู่คนเดียวสบายแต่ต่อมาก็เนี่ยก็มีคนมาขอขอฟังธรรมเนี่ยคณะจุลธรรมเนี่ยเป็นชุดแรกเนี่ยที่เป็นพวกบุกเบิกมาขอฟังธรรมพอเมื่อก่อนอาศัยครูบาอาจารย์นองอื่นได้แต่ต่อมากูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สิ้นไปสิ้นไปก็เลยหาที่ฟังธรรมยากก็เลยมี อาจจะได้ละแคระขายรู้จักว่าเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาก็เลย อ, อยากจะมาลองชิมดูว่าเป็นรสเดียวกับของครูบาอาจารย์หรื อ, ปอเปล่าก็มาเองเนี่ยเราไม่ได้ออกมาสแสดงตัวสแสดงธรรมไม่เคยเชื้อโชนขายมามาที่นี่มาฟังธรรมนะมีธรรมะเด็ดเด็ดให้ฟังนะไม่ <laughs> มีก็มีธรรมะแบบเนี้ธรรมะแบบธรรมะจัดสรรเนี่ย ไม่รู้จะพูดอะไรวันวันหนึ่งมาถึงก็พูดมันไปแล้วแต่ก็เรียกอะไรกรอนพาไปนะกรอนของธรรมพาไปพูดไปเริ่มต้นอย่างหนึ่งแต่ไปจบอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีมันไม่มีรูปแบบเหมือนกับที่เขาสแสดงธรรมันทั่วไปตัวไปก็จะต้องมียกบธทธรรมขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องให้มันอยู่ในกรอบของบทนั้นแล้วก็ไปสรุปในตอนปลาย แต่นี่มันพูดไปแล้วมันเหมือนไฟอ่ะเชื้อมันอยู่ตั้งไหนมันก็ลามตามไปตามเชื้อของมันไปแล้วมันฟังมันเป็นธรรมชาติมันฟังแล้วมันเพลินเหมือนคุยกันเห็นไหมวัาเราคุยกันให้คุยเป็นชั่วโมงได้นะแต่ถ้าให้ไปแสดงสุนทราพน์คนเดียวนึกไม่ออกมันรู้จะพูดอะไร ในเวลาเราจะพูดสนทนาพจน์นี่เราควรหัดจะพูดแบบคุยกับคนฟังเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนอี่ยงนีมีอะไรก็เริ่มพูดไปคุยไปเดี๋ยวมันก็มีเรื่องมีราวมาติดมาต่อกันไปเองวันนี้ก็เริ่มต้นที่เรื่องไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มาถึงตรงนี้มันก็ไม่มีเรื่องให้มันต่อมีอะไรก็เรื่องของรดแห่งธรรมที่เราพูดถึงลถแห่งธรรมเป็น รถที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะให้ความมั่นคงกับจิตใจจิตใจจะไม่มีความหวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะจิตใจจะแยกจะปล่อยวางร่างกายได้จะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งใจเป็นเหมือนผู้ขับรถ รถยนต์เป็นอะไรไปคนขับรถไม่ได้เป็นอะไรคนขับรถเลยไม่ค่อยวิตกกับรถยนต์เท่าไหร่ใจของผู้ที่รู้มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้นจะรู้ว่าร่างกายก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัติของเราก็ดีก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันสูญมีวันสิ้น อนัตตามันไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ไปหลงไปคิดว่ามันเป็นของเราเป็นเป็นเป็นนิจจังเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปหลงคิดว่ามันเป็นนิจจังเป็นของเราเราจะทุกข์ขึ้นมาเราจึงต้องฝึกสอนด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นทรัพย์อวัยวะชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นของเรา มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สิ่งที่เป็นของเราก็คือธรรมเนี่ยคือความสงบเนี่ยนี่อันนี้แหละเป็นของเราเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราต้องรักษาธรรมยิ่งกว่ารักษาทรัพย์ยิ่งกว่ารักษาอวัยวะยิ่งกว่ารักษาชีวิตถ้าเราต้องการธรรมเราต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดเราจะปล่อยได้ก็ต่อเมื่อเราเกิดปัญญาขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรม S <S <an> <S เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าอะไรทั้งหลายที่เราได้มานี้เหมือนเวลาได้มาก็เหมือนมันเกิดใช่ไหมเวลาเราเกิดมาใหม่ๆเราวมีอะไรติดตัวมาก็ปะไม่มีแม้แต่บาทหนึง่งแต่พอเราโตขึ้นเราก็เริ่มสะสมกันเริ่มได้สมบัติชิ้นนั้นชิ้นนี้ได้คนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วเราก็หลงไปยึดติดว่าจะเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่ไม่อยู่กับเราพอมันจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจเพราะเราขาดปัญญาไม่มองมันว่าเป็นตายรักหรืออาจจะเป็นตายรักตอนที่เราตายแต่มันไม่เป็นตายรักตอนที่เราตายเสมอของภายนอกร่างกายนี้มันจะจากเราไปก่อนตายเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องมองว่ามันเป็นตายรักตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นตายรักตอนที่เราตายถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิของอะไรเรามีอยู่จะอยู่กับเราไปตลอดจน ถ, ถึงวันตายมันไม่แน่ต้องมองว่าไม่มีอะไรแน่นอนแล้วมันก็จะได้ไม่หลงไม่ไปยึดเมื่อไม่หลงไม่ยึดเวลามันสูญเสียเวลาเกิดการจากกันมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะรักษาความ รักษาความสงบรักษาธรรมได้ปัญญานี้จะเป็นตัวรักษาธรรมะรักษาลดแห่งธรรมรักษาความสงบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต้องมีปัญญาถึงจะสามารถรักษาได้อย่างถาวรถ้ามีสตินี้ก็จะเป็นแบบน้มลุกคุกขาดได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปหายไปก็ต้องหามาใหม่แต่ถ้าได้ได้ความสงบจากสติแล้วก็ ใช้ปัญญารักษาต่อไปใจก็จะไม่ทุกข์ใจจะไม่มีความวุ่นวายใจเพราะทุกครั้งที่เกิดความอยากก็จะใช้สติใช้ปัญญาหยุดมันนี่ก็คือเรื่องของลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับลดแห่งธรรมไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ นัตสันติปรังสุขขังสุขไม่มีสุขกันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเห็นขอให้พวกเราสละทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าทําได้แล้วมาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าต้องสร้างมันไม่เกิดขึ้นเองจะสร้างก่อนจะสร้างก็ต้องมีเวลาต้องตัดภาระภุคพันต่างๆให้มันหมดไป เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างความสงบที่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้ายังมีภาระผูกพันต่างๆมันก็ไม่สามารถทำได้ทำได้ก็น้อยทำไม่ได้อย่างต่อเนื่องการที่จะได้ธรรมะนี้ลดแห่งธรรมนี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเกิดขึ้นมา ถึงจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าทำแบบชักเข้าชักออกมันก็เหมือนเอาน้ำเข้าตู้เย็นออกตู้เย็นเวลาเข้าตู้เย็นมันก็เย็นเวลาเอาน้ำออกมาตั้งนอกตู้เย็นเดี๋ยวมันก็หายเย็นถ้าอยากจะให้มันเย็นมันต้องอยู่ในตู้เย็นไปเรื่อยๆ หรือถ้าออกมาจากตู้เย็นมันก็ต้องมีฉนวนกันความร้อนไม่ให้มันเข้าไปทำลายความเย็นของที่น า, ามาใส่กระติกนี่พ อ, อามาจากกุตัวเย็ดก็ต้องเทน้ำใส่เข้าไปในกระติกเนี่น้ำก็ยังเย็นต่อได้อันนี้ก็คือปัญญาพา อ, อจากสมาธิมาก็ต้องใช้ฉนวนกันกันกิเลสการตัวที่จะมาทำให้ใจไม่สงบพอมีปัญญาปัญญาก็จะกาจัดหรือก การกิเลสไม่ให้เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่จิตใจได้เนี่นถ้าอยากจะได้ลดแห่งธรรมต้องเห็นความสำคัญของธรรมสองข้อนี้คือสติและปัญญาสติกับสมาธิก็ตัวเดียวกันนะนะสติเป็นต้นสมาธิเป็นปลายเนีนต้องพูดสติเพราะบางทีพูดสมาธิแล้วมันเป็นผล เป็นผลแต่ถ้าไม่รู้ว่าวิธีจะทำให้มันเป็นผลเป็นยังไง mm hmm. ก็ทำให้มันเกิดไปได้ดฉนั mm ้น hmm. ความจริงต้องมีสติถ้ามีสติแล้วมันจะมีสมาธิตามมา mm hmm. แล้วก็ใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเรามาคอยรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้อยู่อย่างถาวรต่อไป mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปาเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทานสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้จาก f a c e b o o สา7ร y อยเจ็ดสิบสองยููสองอเก้าสิบวิทยุออนไลน์ยี่สิบแปด ผูระบฟังบนเขาห้าสิบแปดรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดท่านค่ะเนถึงเจ็ดร้อยเลยเลยบวกผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะสามร้อยกว่าสี่ร้อยหกร้อยโอเคเราบวกผิดเองอถ้ามีคำถามก็ใครอยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าทางบ้านมีคำถามก็ถามได้ค่ะ ข, ขออนุญาตถามจากคุณปัฐมาพร น, นะคะ ฝากการเรียนพระอาจารย์ด้วยนะคะน้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ด้วยความคารพอย่างที่สุดเจ้าค่ะหลังจากที่ลูกได้ศึกษาฟังธรรมะจากพระอาจารย์ตอนนี้เป็นเวลาสามเดือนที่ออกจากงานมาทํางานภายในอย่างจริงจังตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์และตามรอยองค์ศา ส, สดาเจ้าค่ะ อยากจะกราบในความเมตตาที่พระอาจารย์ได้มาสอนทุกวันไม่มีวันหยุดเลยและขอบคุณทีมงานที่ทำให้คนทางไกลได้รับชมรับฟังธรรมอันประเสริฐนี้นะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุ ค, คำถามจากคุณบกับกบักคนที่ชอบพูดเรื่องอดีตในชีวิตที่ผ่านมาที่ไม่ดี ให้อีกฝ่ายจนกลายเป็นทะเลาะกันทุกวันไม่ยอมฟังความคิดเห็นจะมีวิธีแก้อย่างไรคะก็อย่าไปฟังืิเราไปแก้เขาไม่ได้เราแก้เราได้ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีเราก็อย่าอย่าอยู่ใกล้เขาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เลือกคบคนคนไม่ดีก็อย่าไปคบถ้าต้องคบกันเพราะต้องทำงานร่วมกันหรืออะไรก็ ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไปล่อยเขาพูดไปทาไปแต่เราไม่ต้องไปไปสนใจกับเขาไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับเขาคำถามจากคุณฟูปัจจุบันพระมหานิกายยังต้องใช้ปัจจัยคือเงินในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่เวลาทำบุญเลี้ยงพระมีการถวายปัจจัยให้พระแต่ละซองแต่ละรูปอย่างนี้ถือว่า ให้พระผิดศีลหรือไม่ครับแล้วเรายังได้บุญหรือไม่ครับคือเรื่องการถือปัจใจหรือไม่ถือปัจจัยนี่มันเป็นเรื่องที่เข า, เาวิเคราะห์พระวินัยกันพระมหานิกายในเท่าที่เข้าใจท่านวิเคราะห์ว่าพระพุทธเจ้ า, าทรงอนุญาตเพราะเคยทรงกล่าวไว้ก่อนที่จะอยากไป ว่าถ้าสงเห็นว่ามีพระวินัยข้อใดที่ไม่เหมาะสมกับเวลาก็อยากจะยกเลิกก็ยกเลิกได้พระทางฝ่ายที่ใช้เงินท่านก็วิเคราะห์ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องใช้เงินทองเพราะจะไปไหนมาไหนเดินทางก็ต้องจ่ายค่ารถค่าลาละอะไรต่างๆท่านก็เลย อนุโลมไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้กับพระอนุนว่าถ้าสงงเห็นว่ามีวินัยข้อใดที่สงงเห็นว่าไม่เหมาะกับการกับเวลาก็เลือกได้เขาก็เลยไม่จับต้องเขาเจับต้องเงินทองได้แต่สําหรับพระธรรมยุทธนี้เป็นพระที่เขาไปาไ ป, ไป ไ, ได้มาจากพระสายพระมนคือรัชกาลที่สีพระจอมเกล้าตอนนั้นท่านยังไม่ได้ขึ้นครองราชท่านได้บวชแต่เนื่องจากที่ก่อนบวชท่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกพระวินัยก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จับต้องเงินทองครอบครองเงินทองเป็นของตนอนุญาตให้ มีเงินทองได้แต่ต้องให้เป็นอยู่ในการครอบครองของผู้อื่นของลูกศิษย์เวลาต้องการใช้อะไรก็ให้ลูกศิษย์นั้นไปช่วยจัดหาซื้อให้ได้อยู่ท่านก็เลยเวลาเวลาท่านจะบวชท่านก็เลยไปบวชกับพร ะ, ะ, ะพระมรพราะพระมรเขาไม่จับต้องเงินทอง <c oughs> ก็เลยเกิดเป็นสายธรรมยุทธ์ขึ้นมา พอหลังจากที่ท่านได้บวชท่านปฏิบัติตอนเป็นที่หน้าเคารบเรื่มใส mm hmm. ก็มีผู้ที่อยากจะออกบวชปฏิบัติตามตอนต้นก็เรียกเป็นคณะธรรมยุทธ์ต่อมาพอมีมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเรียกเป็นนิกายธรรมธรรมยุทธ์ไปแต่ยังถือว่าเป็นนิกายที่เล็กอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับมหานิกายคำจริงคว่ามหานิกายนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีเพราะมีนิกายเดียว พอมีนิกายของธรรมยุทธ์ปรากฏเขาก็เลยต้องเรียกมหานิกายมันมหาก็คือคณะใหญ่นิกายใหญ่ส่วนธรรมยุทธก็เป็นนิกายเล็กธรรมยุทธนี้เป็นหนึ่งในสิบขนาดพ ร, พระธรรมยุทธนี้จะมีประมาณสิเอร์เซน์ของพระมหานิกายก็ <c oughs> มีแค่นี้นะเป็นเรื่องของการที่การไปตีความของพระวินยัย ยันก็ผู้ที่ต้องการที่จะเลือกก็สามารถเลือกได้อยากจะบวชแบบจับต้องเงินทองได้ก็ไปบวชกับพระมหานิกายอยากจะบวชแบบจับต้องเงินทองไม่ได้ก็ไปบวชกับพระธรรมยุทธ์คำถามจากคุณจินขอบกราบนมัสการ เรียนถามครับออกจากสมาธิแล้วใจยังเลื่อนลอยออกไปคิดได้ปฏิบัติอย่างไรดีครับก็จะริญสติต่อสิก็พุโทโธต่อไปแล้วเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปเอามาเดินจงกรมก็เดินไปดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปมันก็จะไม่คิดหรือคิดก็จะน้อยเพราะเราคอยดึงมันไว้แม่มันไคิดถ้าไม่มีการใช้สติเลยมันก็คิดได้เต็มที่เลย เหมือนรถถ้าไม่เหยียบเบรกเลยมีเหยียบแต่คันเร่งมันก็วิ่งได้อย่างเต็มที่ถ้าเราคอยเตะเบรคบ้างมันก็ยังจะคอยหยุดบ้างเหรองั้นถ้าเราอยากจะรักษาความสงบต่อไปถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นเราก็ต้องมาใช้สติก่อนอย่าปล่อยให้ใจคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาคําถามจากคุณอู mm hmm. พระอาจารย์เจ้าคะ ทุกวันนี้เวลามีเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบกับเราทําให้มีอารมณ์โกรธใจอันจะต้องทํอย่างใจจะต้องทาอย่างไรให้ใจเราสงบโดยเร็วเจ้าคะเพราะหนูจะต้องอยู่กับคุณจำนวนมากคะ่ะพราเราไม่มีสตินั่นเองเราปล่อยใจให้ไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่มาสัมผัสกับเราเวลาเจอของชอบก็รักสุดๆเวลาเจอของไม่ชอบก็เกลียดสุดๆ เพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมใจให้รู้เฉยๆไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้นี่เราต้องมาฝึกจิตใหม่มาสร้างจิตสร้างสติเพื่อรักษาให้จิตเป็นแต่ผู้รู้ไม่เป็นผู้แสดงไม่ไม่เป็นผู้ตอบโต้กับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้ให้รู้เฉยๆปราศจากรักชังกลัวหลงถ้ามีสติมากๆจิตจะเข้าสู่อุเบกขา คือจิตจจเป็นกลางเห็นอะไรก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เ, ออเนี่ยสิปัญหาของผู้ถามก็คือไม่มีอุเบกขาไม่มีสตเออิเป็นเหมือนลูกฟุตบอลพอถูกคนนี้เตะ ก, ก็เก่งไปหาลูกอีกคนจเจออ้าใจคนเตะ ก, กลับไปกลับมาเก้งไปเก่งมาอยู่เรื่อยๆ อ, อจิตไม่มีที่ที่อยู่ที่ปลอดภัยคืออุเบกขาเห็นต้องต้องหาที่อยู่ อันนี้ให้ได้วิธีที่จะเข้าสู่ที่อยู่นี้ได้ก็ต้องหมั่นฝึกสติหมั่นนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆ เ, เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องพุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนให้จิตอยู่ตรงนั้นแล้วจิตก็จะตั้งมั่นได้ตั้งอยู่ในอุเบกขา แล้วต่อไปเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรมันก็จะเฉยๆได้หรือถ้าไม่เฉยก็สามารถใช้สติดึงมันกลับเข้ามาให้เฉยได้พอรู้ว่ามันเริ่มไปมีอะไรกับสิ่งที่เห็นก็พุทโธพุทโธดึงกลับมาปับเดียวมันก็เฉยได้คำถามจากคุณปรกรณ์สิทธ์ก ร, กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ขอกลับเรียนถามว่าพระโสดาบันรักษาศีลห้าหรือมากกว่านี้ครับพระโสดาบันท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นอบายเห็นอบายนี้เกิดจากการกระทาผิดศีลศีลห้าท่านรู้ว่าเหมือนเหมือนคนเรานี่รู้ว่าถ้าทาผิดกฎหมายก็ติดคุกงั้นมีใครอยากจะไปติดคุกไหมไม่มีใช่ไหมเราเลยรักษากฎหมายกันนะเคารพกฎหมายกัน หรือถ้าจะทำผิดกฎหมายก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนถ้าไม่มีคนเห็นก็อาจจะทำผิดกฎหมายได้แต่กฎแห่งกรรมนี้มันไม่มีใครต้องมาคอยเฝ้ามองมันเป็นอัตโนมัติพระสวสดบิบาลรู้ว่ากฎแห่งกรรมนี้มันกฎอัตโนมัติจะมีใครเห็นไม่มีใครเห็นก็ตามกฎแห่งกรรมมันเห็นตลอดเวลายั้นท่านเลยไม่กล้าทาบาป ท่านกแล้วรักษาศีลห้ายิ่งกว่าเสียยอมเสียชีวิตยิ่งกว่าผิดศีลเพราะถ้าเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ทําผิดศีลก็ไม่ต้องไปอาบายแต่ถ้ารักษ า, ารักษาชีวิตแต่ไปทําบาเวลาต่อไปก็ต้องตายอยู่ดีตายไปก็ต้องไปอาบายยังชั้นยอมตายแบบไม่ไปอาบายดีกว่าอยู่แบบแล้วต่อไปตายแล้วต้องไปอาบายเพราะท่านมีดวงตายเห็นธรรม เห็นนาบาเห็นสวรรค์เห็นนรลกเห็นสวรรค์คำถามจากคุณสาวนุย้ยหลานสะภ้ยเขากับสามีซึ่งเป็นหลานของโยมเองเขาเลิกกันหลานสะภ้ยก็ลําบากพอดีเขาไปรับจ้างขายหมูกับเพื่อนเขาโยมก็สบายใจบอกเขาว่าถ้าอยากได้เงินไปเพิ่มทุนก็บอกอยู่มาเขาก็มายืมเงินจริงๆโยมให้เขาไปโยมมีส่วนบาปไหมที่สนับสนุนเขาในอาชีพขายเนื้อสัตว์ ก็ถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้ค่าเขาก็ยังไม่ได้ทำบาปแต่ก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ค่าเพราะว่าเราต้องไปซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ที่ค่ามาขายอีกทีหนึ่งแล้วแต่เราไม่ได้ไปสนับสนุนเราสนับสนุนเขาคือหลานเราค่ะ แต่อาจจะว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาทาอาชีพที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรทำํำก็ว่าได้แต่ถ้าเขาเดือดร้อนจะไม่ให้ช่วยเหลือเขาอย่างไรก็ต้องหาอาชีพใหม่ให้เขาถ้าอยากจะช่วยเหลือเขาไม่ให้เขาทาอาชีพที่ไม่เสียหายก็ให้เขาไปทําอาชีพอย่างอื่นไปขายโทรศัพท์มือถือหรือขายประกันหรือขายอะไรก็ว่าไปคําถามจากคุณเกรียงไกร กราบนมัสการพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมเกิดเวทนาจากการเจ็บป่วยมากพอควรขอแนวทางในการพิจารณาด้วยครับก็ต้องพิจารณาแยกใจออกจากเวทนาเวทนามันเป็นอาการของทางร่างกายที่เราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถห้ามความทรมานใจได้เพราะความทรมานใจเขาเกิดจากความอยาก ให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปยงั้นเราถ้าไม่อยากจะทรมานใจเราก็มันทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปเพื่อปล่อยวางความเจ็บทางร่างกายเพราะถ้าเราไม่คอยควบคุมใจให้สงบใจมันจะไปอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปเราก็จะเกิดความทรมานใจขึ้นมา ยพยายามหมั่นพุโทโธหมั่นฝึกสติหมั่นนั่งสมาธินอนสมาธิก็ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้ก็นอนก็ได้ถ้ามันหลับก็ไม่เป็นไรหลับก็ยังดีกว่าตื่นตื่นแล้วทรมานสู้หลับดีกว่าถ้าอยู่ในพระในสภาพแบบที่เป็นคนป่วยนั่งสมาธิไม่ได้ก็นอนสมาธิไปหลับก็หลับไปหลับก็อย่างน้อยก็จะไม่รับรู้เรื่องของความเจ็บ ของทางร่างกายก็ไม่ทรมานไประยะหนึ่งพอตื่นขึ้นมาพอไปรับรู้พอไปเกิดความอยากมันก็จะทรมานขึ้นมาใหม่ก็ใช้พุโทโธพุทโธหยุดมันให้มันสงบก็จะไม่ทรมานใจส่วนเวทนาทางร่างกายมันก็เป็นไปตามสภาพของมันมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหาย <c oughs> ไม่หายเป็นก็หายตายนะไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตาย แต่ใจจะสามารถอยู่อย่างไม่ทรมานได้คําถามจากคุณสิริพรกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ความแตกต่างระหว่างการอุทิศส่วนกุศลกับการแผ่เมตตาจิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะอ๋อคนละเรื่องไงคือการอุทิศส่วนกุศลก็คือเราต้องมีบุญ แล้วเราก็แบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้เหมือนกับมีเงินเนี่ยก่อนที่เราจะเอาเงินไปให้คนอื่นได้เราต้องหาเงินมาก่อนพอเรามีเงินแล้วเราอยากจะแจกคนนั้นคนนี้เราก็เอาเงินไปแจกได้การอุทิศบุญก็เป็นการแจกบุญนี่เองแจกให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเพราะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ผู้ที่ล่วงรับสามารถรับได้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี่รับเงินทองไม่ได้ รับอาหารไม่ได้เช่นเอาอาหารไปตั้งไว้ที่หน้ารูปของคนตายเนี่ยคนตายก็ไม่ได้กินอยู่ดีแต่ถ้าส่งบุญไปนี่เขาได้รับบุญซึ่งเป็นเหมือนอาหารของใจเขาก็จะอิ่มกับบุญที่เราส่งไปนี่เรียกว่าการอุทิศบุญนส่วนการแผ่เมตตานี่หมายถึงแสดงความปรารถนาดีต่อผู้ที่เราพบปะะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เราพบกันในชีวิตประจําวันของเราเราไม่ค่อยพบกับดวงวิญญาณเท่าไหร่ฉะ้เราไปแผ่เมตตาให้พวกที่ล่วงรับไปแล้วไม่ค่อยได้เรานอกจากว่าเราไปจะเอเขาจริงๆเจอเขาจริงๆเขามาหาเราอย่างนี้เราก็ให้ความเมตตาสงสารเขาได้คุยกับเขาทักทายเขาถามสารทุกข์สุขเด็บอนี้เรียกว่าการให้เมตตาถ้าเขา ต้องการความช่วยเหลืออย่างใดก็ให้เขาไปได้ก็ให้ไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ความเมตตาการเมตตานี้เราจึงให้กับคนที่กับบุคคลหรื อ, อบุคคลที่เป็นมนุษย์หรือเป็ น, เ ป, นเป็นกายทิพย์ก็ตามถ้าเราพบปะกันเราควรที่จะให้ความเมตตาต่อกันคือให้ความปรารถนาดีให้แสดงความความไมาตรีจิตหนึ่งเล เจอกันก็ยิ้มให้กันสามสารทุกสุขดีบสบายดีหรือไม่มีของก็อาจจะแบ่งกันมีขนมมาก็เอาแม่พี่เอาขนมมาฝากอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่เบียดเบียนกันไม่ไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่าให้เกิดโทษจากการกระทําของเราอันนี้ก็เรียกว่าการแผ่เมตตา อย่าไปทําร้ายร่างกายหรือจิตใจของเขาเออย่าไปทําให้ร่างกายเขาเจ็บช้าไม่ออย่าทําให้จิตใจหรือร่างกายเขาเจ็บช้าก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขกับเขามีเงินก็แบ่งให้เขาใช้อย่างนี้ก็เรียกว่าให้ความสุขนี่คือการแผ่เมตตาส่วนที่เราสวด น, นั้น ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วเรามาสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่แต่เป็นการศึกษาเป็นการตอกย้ําให้เรารู้วิธีของการแผ่เมตตาว่ามีอย่างไรบ้างการแผ่เมตตามีสี่วิธีวิธีที่หนึ่งเรียกว่าอเวลาโหนตุไม่จองเวนจองกรรมกับใครใครก็จะทําร้ายเราทําอะไรให้เราเสียหาย เราจะยกโทษให้เขาไปให้อภัยเรียกว่าไม่จองเวรกันเพราะการเวรย่อมนะ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไปจองเวรเราไปล้างแค้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาล้างแค้นเราเห็นเราอย่าไปจองเวรกันถ้าเกิดความโกรธให้ระ ง, งับด้วยความให้อภัย เกิดความมาคาดพยาบาทก็ให้อภัยไม่จองเวรอันนี้ก็เป็นการแผนเป็นการให้เมตตาแต่ต้องให้กับบุคคลที่เรามีปัญหากันไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหนังอันนี้ให้ได้ทั้งสองอย่างอยู่คนเดียวเราก็นึกในใจเฮ้ยยกโทษให้มันดีกว่าอย่าไปมีเรื่องมีราวกับมันดีกว่าเวลาเจอกันก็เฉยๆไปเอไม่ต้องไปพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเ อ, อ, อันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาเอาเวลาโหนตุ อปยาปชาโหนตุกอย่าเบียดเบียนกันเหอะอย่าไปอทําให้เข า, เ, า, เ, าเสียหายอะไรทำนองนี้เอทําการค้าก็อย่า ก, กันแกล้งกันอะไรแข่งขันกันแบบมีกติกาเคารพกันเคารพในสิทธิของกันและกันไม่ไปทำลายทรัพย์สินอะไรของเขาต่างๆให้เสียหายเอ อา น, นิคารโหตุไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นสุขีอัตานังปาลิหารันตุให้เขามีความสุขอย่างปีใหม่นี้เราส่งสอขสอกันส่งก็เช้าของขวัญกันอันนี้เรียกว่าส่งให้ความสุขนี่คือบทแผ่เมตตาที่เราสวดกันไม่ได้ไม่ได้แผ่เป็นการสวดเป็นการสอนใจสอนให้เรารู้วิธีแผ่เมตตา เพื่อเวลาที่เราได้มาพบปะกันเราจะได้แผ่ออกถ้าเราไม่รู้วิธีเดี๋ยวเจอกันมันก็จะปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ตามเหตุการณ์พอพูดไม่ดีก็โกรธพออยากจะได้เลยเขาก็ไม่สนใจว่าเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าเรียกว่าเบียดขโมยของเขาบ้างขโมยเสื้อผ้าเขาบ้างอยากจะได้อะไรพอเห็นโอกาสจะขโมยได้ก็ขโมยเขาเรียกว่าเบียดเบียนกัน หรือถ้าโกรธมากๆอาจจะเอาข้อเอาขวานมาฟันมาทิ่มมาแทงกันก็ทำร้ายร่างกายหรือทำอะไรทำให้เขาเสีย อ, อกเสียใจก็ทำร้ายทางจิตใจอันนี้ก็ไม่ทำอัปบบยาปชาวนตุไม่เบียดเบียนกันไม่ไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันแล้วก็ให้ความสุขกับเขาก็ เขามีเขาเขาสุขอย่างไรรู้ว่าเขาชอบอะไรก็ลองให้เขาดูเขาชอบกินทุเรียนลงซื้อทุเรียนมาฝากเดี๋ยวเขาก็เห็นทุเรียนก็โอ้มีความสุขขอบ อ, อกขอบใจใหญ่ต้องทําเวลาพบปะกันถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาให้เมตตาแต่ญาติโยมส่วนใหญ่คิดว่าการแผ่เมตตาคือคลือนคือนั่งสวดแล้วก็นึกว่ากระจายเสียงออกไปเหมือนสถานีวิทยุแผ่ไปครอบจักรวาลไม่ได้แผ่ มันเป็นความคิดเนั้นเองคิดว่าว่า เ, เราแผ่ให้ครอบไปทั้งจั ก, กรวาลทั้งใต่ภพทั้งแต่พอเจอหน้ากันด่ากันเลยอันนี้ไม่ได้แผ่นะงั้นขอให้เข้าใจเวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่เป็นการศึกษาเป็นการเตือนใจว่าวิธีการแผ่เมตตามีอย่างไรบ้างแต่ปัญหาคือเราไปสวดภาษาบาลีแล้วก็ไม่รู้ความหมายเสี้อีก ไม่รู้แต่ยังดีรู้สึกว่าข้อมีบทอแปลให้มั่งเอาเวลาหุนตุจงจงไม่เบียดเบียนกันเถิดอยายปัชชาหุนตุเออเวลาหุนตุจงอย่าจองเวรกันเถิดเอายาปัชชาหุนตุอย่าเบียดเบียนกันเถิดอา น, นิคาหุนตุอย่าทําร้ายร่างกายและจิตใจของกันอา น, นิสุขีอัตนางปริหะรันตุขอให้มีความสุขความสุขเถิดเน อันนี้อันนี้เป็นทฤษฎีไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็คือตอนที่เราพบปะกันไม่ว่าใครคนในบ้านคนนอกบ้านพอเจอกันต้องแผ่ทันทีอย่างน้อยก็ยิ้มให้กันไม่ใชหน้าบึ้งใส่กันแยกเขี้ยวใส่กันเอหรือบึ้งตึงถ้าพูดได้ก็ทักทายอไรสวัสดีอรุณสวัสดิ์อะไรไปเรียกว่าแผ่เมตตาแล้ว คำถามจากคุณซอซอรกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะการฆ่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตถือว่าเป็นบาปไหมเจ้าคะเป็นบาประดับโดยราชาเนี่ยโดยราชาเขาก็ต้องก็ต้องฆ่าผู้อื่นเขาสัตว์ใหญ่กินสัตว์สัตว์ตน้อยแต่เรามนุษย์นี่เรามีทางเลือกเนเราสามารถประทังชีพได้โดยการไม่ต้องฆ่าสัตว์แล้วก็ไปเก็บผักเก็บผลไม้มากินก็ได้ แต่ถ้าเราเลือกทางของเดลฉ า, านเราก็ต้องไปเกิดเป็นเดรลฉาน <c oughs> คำถามจากคุณจักพงศ์<ม>ตอนนี้ภาวนารู้สึกเห็นตัวไหวๆอยู่กลางอกไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในทางหรือไม่ควรปฏิบัติยังไงต่อไปครับออย่าไปเห็นให้กลับมาเห็นพุโทโธอยู่กับพุโทโธดีกว่าดูลมดีกว่ามีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจมันเป็นตัว ตัวปลอมทางนั้นไม่ใช่เป็นตัวที่เราต้องการตัวที่เราต้องการก็คือตัวว่างตัวรู้อย่าไปอย่าทิ้งพุทธโธอย่าไปทิ้งลมถ้าทิ้งปั๊บเดี๋ยวของแปลกๆอันนี้มันจะโผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณสุวรรณา ความจริงทางโลกกับทางธรรมเราอยู่ระหว่างกลางคือยังทิ้งทางโลกไม่ได้แต่ทางธรรมเราได้สัมผัสแล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริงคำถามคือจะมีสักวันหนึ่งไหมเจ้าคะที่เราสามารถตัดทางโลกได้โดยไม่มีความอะไรเลยรู้สึกเป็นทุกข์มากค่ะก็เหมือนเราเหมือนรถไฟไงรถไฟนี้เขามีที่สับรางใช่ไถ้าอยากจะเดินอยู่ในรางนี้แล้วรู้ว่ามันวนอยู่ในวงกลม อยากจะไปอีกลางหนึ่งที่วิ่งไปสู่จุดหมายปทางที่เราต้องการเราก็ต้องไปหาที่เขาสับรางเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราจากทางโลกมาสู่ทางธรรมค่อยๆเริ่มฝึกหัดแบ่งเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทาแบบทันทีทันใดเราทำไม่ได้เราต้องใช้เวลาค่อยๆ เปลี่ยนไปถ้าเราไม่ทําเราจะมารอไว้วันดีคืนดีมันจะเหมือนพระพุทธเจ้าพอถึงเวลาก็กระโดดออกจากวังเลยนี่เราอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะไปได้เห็นถ้าเราถ้าเราไม่มีกําลังแบบนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างกําลังด้วยการค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการอยู่กับทางโลกร้อเซมาแบ่งกันตอนต้นก็แบ่ง90กับสิบแปดิกับยี่สิบ เจ็สกับสิเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนเหมือนค่อยๆเพิ่มเพราะเราไม่มีกําลังที่จะมาทาําทําได้แบบเต็มร้อยในทันทีทันใดเราก็ต้องอาศัยการสร้างกําลังขึ้นมาทําบุญทําทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นตามลําดับ อ, อหัดไหว้พระหัดนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะมีพลังที่ จะรู้ว่าสามารถจับลางได้อย่างเต็มที่เลยคำถามจากคุณสระชัยพระอาจารย์ครับผมไม่เข้าใจคำว่าเห็นจิตเกิดและเห็นจิตดับครับไม่ต้องไปเข้าใจหรอกตอนนี้ให้เห็นว่าพุโทโธเกิดหรือพุโทโธดับก็พอ อย่าให้พุโทโธหายรักษาพุโทโธไปอย่างเดียวก่อนจิตเกิดจิตดับนี่มันระดับวิปัสสนาตอนนี้เรายังอยู่ระดับกอไก่ขอไขอ่อยู่ยังไม่ได้อยู่บทเรี้ยงความยังไม่ถึงขั้นนั้นการจะได้เขียนเรียงความได้นี่ต้องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนงั้นอย่าไปสนใจเลยจิตเกิดจิตดับอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตนี่ไม่ต้องไปรู้มากถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน ถ้าเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปสนใจมาสนใจอยู่ที่สติดับหรือไม่ดับดีกว่าสติหายหรือไม่หายดีกว่ามีสติหรือไม่มีสติดีกว่าเพราะนี่เป็นเป็นกอไก่ขอไ ข, ข่ของการปฏิบัติที่เราจะต้องใช้ในการก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่สูงต่อไปได้คาถามจากคุณดิสยา <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์ <c oughs> เคยอ่านหนังสือว่า ถ้าได้ทําบุญใส่บาตรกับพระอริยะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจะได้อ น, นิสงส์มากจนสามารถได้เกิดบนสวรรค์ได้จริงหรือไม่คะถ้าใส่บาตรเฉยๆไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้ถ้าใส่บาตรแล้วท่านแสดงธรรมให้เราฟังอันนั้นถึงจะไปได้ถ้าใส่บาตรเฉยๆใส่บาตรกับพระ ธ, ธรรมดาใส่กับเนนก็เหมือนกันได้แต่ทานคือการเสียสละแบ่งปันแต่ไม่ได้ปัญญา การจะได้ปัญญานี้ต้องฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็จะได้ปฏิบัติจิตให้ขึ้นสู่ระดับของสวรรค์ของมรรคผลนิพพานได้คำถามจากคุณดิศยาต่อนะคะ กลับเรียนถามพระอาจารย์คนที่ตายไปแล้วเขาจะไปสู่สุคติหรืออภัยภูมิทันทีหรือไม่คะเคยดูในรายการบางท่านบอกว่ามีวิญญาณเร่ร่อนที่ยังไม่ได้เกิดและทำอันตรายเราได้เรื่องวิญญาณเร่ร่อนเป็นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะก็เป็นกรณีเขาเรียกว่ากรณียกเว้นคือทั่วๆวไปพอตายไปแล้วก็มักจะไปตาม ภูมิของตนตามอำนาจของบุญของบาปที่ทําไว้แต่บางกรณีนี้อาจจะมีความผูกพันาคาดพยาบาทหรืออะไรก็อาจถ้ามีความมาคาดพยาบาทกับคนใดคนหนึ่งก็อาจจะยังไม่ไปสู่ภพภูมิของเขาก็ได้อา จ, จวนเวียนหาอยู่ใกล้กับคนที่เขามีความอาคาดพยาบาทด้วยก็ได้หรือความห่วงใยก็ได้บางคนก็มีความห่วงใยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่นในพุทธการก็มีเรื่องของเศรษฐีที่ห่วง ย, าย้งยายสมบัติรักสมบัติห่วงสมบัติเวลามีชีวิตอยู่มีสมบัติก็เอาไปฝังดินไปกบไปซ่อนเอาไว้ไม่บอกใครพอเวลาตายดวงวิญญาณก็มาเกิดในท้องสุนัขของบ้านเพื่อจะได้มาอยู่ใกล้ๆกับสมบัติลูกหลานก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อที่มาเกิดเป็นสุนัข พอดีพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ก็บอกลูกว่านี่คือพ่อของเจ้าเนี่ยเขาห่วงสมบัติเขาจะมาหาสมบัติเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันตายนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้เดี๋ยวมันก็พาไปขุดสมบัติและในกรณีที่หลวงปู่มั่นในประวัติหลวงปู่มั่นก็มีดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนที่ได้ ขณะมีชีวิตยอยู่ก็ได้อุทิศบ่อยจากเงินสร้างเจดีย์แต่เจดีย์สร้างยังไม่เสร็จตายไปเสียก่อนความห่วงใ ย, ยความผูกพันกับเจดีย์นั้นเลยทำให้ดวงวิญญาณมาอยู่แถวบริเวณเจดีย์นั้นอันนี้ก็เป็นกรณียกเว้นแต่ไม่ได้เป็นไปอย่างท้าววรเดี๋ยวเขาอยู่สักพักหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็จะปล่อยปล่อยวาง พอปล่อยวางเขาก็จะไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เขาได้ทำไว้ต่อไปคำถามจากคุณ F J W กลับนรัสการเจ้าค่ะถ้าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำอันเราเป็นคนก่อคิดดีในพบคิดดีไปพบที่ดีคิดชั่วไปพบอบายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำไมไม่ใช่เพราะกรรมเป็นตัวตัดสินแต่เพราะอะไรถึงมีย ม, มาบาลมีเจ้าหน้าที่ลงทันอื่นๆด้วยแล้วบุคคลเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมมีความจริงมันไม่มีหรอกเขาสมมติกันขึ้นมาเท่านั้นเอง กฎแห่งกรรมนี่มันเป็นกฎอัตโนมัติเหมือนกฎของดินฟ้าอากาศฝนตกมันก็มีตัเหตุที่ทําให้มันตกน้ําละเหยขึ้นไปเป็นเมฆมันก็มีเหตุที่ทําให้มันละเหยเขาก็เลยสร้างเหตุว่าเป็นย ม, มบานมัน่งเลยเรียกชื่อว่าเป็นย ม, มบานมั่งเป็นอะไรบ้างไปทั้งนึงแต่ความจริงมันเป็นเหตุเป็นเหตุที่จะทําทให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา คือทำบาปเขาก็จะมีโยมโมบายมาดึงไปความจริงตัวที่ดึงไปก็คือกรรมที่เราทำนี่แหละเป็นตัวที่ดึงจิตเราไปอาบายแต่บางทีคนคนไม่ค่อยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องธรรมชาติพูดเรื่องเหตุเรื่องผลไม่เข้าใจเขาก็เลยต้องเอาบุคลากรเข้ามาเป็นตัวอย่างว่า มีเทมีเทวดามาคอยรับลูกเธอไปสวรรค์นนะถ้าเธอทำบุญมียมาบาลมาคอยรับลูกเธอไปอบายไปนรกมีพวกที่จะมาคอยทิมคอยแทงคอยอะไรพวกเธออันนี้ก็เป็นเพียงแต่เขาเรียกบุคคลาธิฐานควจริงมันเป็นธรรมาทิฐานมันไม่ไม่มีบุคคลมันเป็นเรื่องของเหตุของผล